เจกนี่ก็เหมือนกับสตินะวัวนี่ก็เหมือนกับจิตทางนี่ก็เหมือนกับอารมณ์ที่เราใช้เป็นเครื่องมือให้จิตเนี่ยตามดูตามเห็นอาจจะเป็นลมหายใ จ, าจจะเป็นอิริยาบถก็ตามเส้นทางนี้คือนั้นการที่ทําให้วัวเนี่ย เ, นน เ, เดินไปตามเส้นทางอย่างต่อเนื่องนี่ก็คือการที่ทําให้จิตเนี่ยมันตามเห็นหรือว่าอยู่กับอารมณ์ไปได้อย่างต่อนเนื่องเช่นถ้ารู้กายก็รู้กายอย่างต่อเนื่อง